ปัญญารู้เห็นความแปลไปของรูปนามโดยอนุมารู้อันวยายานจัดเป็นวายานุปัจนนาส่วนปัญญาที่รู้เห็นด้วยอำนาจวายานุปจสนาวาสภาวธรรมทั้งหมดมีสภาพแปลไปจัดเป็นวิปริณามานุปจสนาปรากฏขึ้นเมื่อบรุพังขยานระดับแก่กล้าแล้ว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 อาทีนุวานุปัสนาอาทีนุวานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นโทษย่อมละความยึดมั่นด้วยความผูกพันดังคำภีวิสุทธิมักกล่าวว่าอาทีนวานุปัสนาคือญาณรู้เห็นโทษในภพทั้งหมดเป็นต้นที่เกิดโดยปรากฏว่าน่ากลัวทําให้ละความยึดมั่นด้วยความผูกพันวา่า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 นี้ว่าอำหนวยผลให้บรรลุทำได้อย่างแท้จริง